ระหังสัมมาสัมพุทธวังพาว้างราบูมีพระพักยาวนาราหารดาบพลังกิเลเพลังทุกสิ้นเชิง ดัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอุทังพระขวันตังอภิวาเดมิอาบัจวาภิวาพระผู้มีพระภาค้าวภูอโรภูติน สวงขาต้วนหาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนามสัมมิธรรมชานามสการพระธรรมุปติปโนภะควะโดะสาวกสังโฆรา ประสงษาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัต uh ิแล้วสังฆนามมีางพระเจ้านอบน้อมประสง นโมอันตัสสะหามภะคะวะโตวะ Ara ตัวสัมมาสัมปุตัสสนโมันตัสสะาภะคะวะโตวะ Ara ตัวสัมมาสัมปุัสส นามัสสะภะคะวะโตอะระโดสะมาสัมพุทธัสสะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองนั้น ซึ่งเป็นผู้ไราจากิเลตราสรุชอได้โดยพระองค์เองอัามยังพุท ธ, ธานุสตินยังการมาเสตังโควานาภาขวันตังเอ การลญาณวิจิตรสาโทภุค no ดุโกวิจิตรภาพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านันได้ฟุ่มไปแล้วอย่างนิวาสีติปิโสภะคะวา เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภากนานอารามเป็นผู้ไรจ า, ากิเลศสามมาสัมพุทธทเป็นผู้ไรสรุ่ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาชารานาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและชาระนาสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกกวิทูเป็นผู้รู้โลกยงแจ่มแจง มนตดาวบุริสัทามาสหราธิเป็นผู้สามารถฝึกบุร ah ุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าญาทาเดวมโนสานังเดนครู ผู้สอนขอเหวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เมบตาด้วยธรรมพระคาวาทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ันดมายังพุทธะพิขีติงกโรมาเสอพุทธวารหันดาวารตาที่คูนาพิยุตโดยพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็น e ต้นสุธาพิยนกรุณาอิสามาคตตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญานและพระการุณาอันบริสุทธ โคเทศโยสุชาณะตักมรางวสัโรพระอง์ไดทรงกระทำชนดีดีให้เมิกอบานดูดอาธิฐานบัวให้บาน วันธรรมธรรมระนาศิรัสาชินนทังอาภัส um ้าไวนาสิู้ไม่ม oh ีกิเลพระองนานด้วยเสียนกราว ผู้วยสัพพานินาสารนังเขมามุตตางพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสาระาอันเสมสูงสุดของสาธพัลายปาธถมนุสติท่านวันทามิตังเสเรนังอาภัาชาไวาพระพุทธาชาพระองค์นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความราึกคงที่หนึ่งด้วยเสียงคราวพุทธาสาหาสามิธาโสวาตุดโดเมสามิกิสาโรท้าพระเจ้ า, าเป็นทาทของพระพุทธเจ้า เอาเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าปุถุทุกขาสักดาจะวิทาตาจาิตาสเมบระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุก และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าวัวดาสาหางนิยเทมมสาริระชีวิตันจิตธรรมข้พาพเจ้าผู้กายทวารชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทันโตหังการิสหามีบ uh ุทาเสวะสุโขที่ตามอาพระเจ้ากุายู่จาพระพุทธามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า นาทิเมสารนานาัญญาพุทโธเมสารนานวารางสารนานอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารนานประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเดนะสัจวัเจนะวัตอยะสัตุสานด้วยการเคล้าคำสัตติภาพพระเจ้าพึงเจริญพระศาสนาของพระศาสนา ผู้ทางเมวันธรรมเนนยังปุญพาปสุตังอิทาทา้ท า, า, าพระเจ้าผู้ว่าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญได้ในบัดนี้ จาเภียานธารยาเมฆมเหสุุงไตรสติสังขารานธายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าปเจ้า้วยเด็แห่งบุญานาเยนาวายจวาเจตัสาวา ที่ก็ดีด้วยวายาก็ดีด้วยใจก็ดีบุเทกุขามังบากาจังมยายังถามนาที่เดียนอันใดมีข้าพระเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าผู้ทวปฏิคันฮัตวายยันดา ทอพระพุทธเจ้าจงงดโทษลวงเกินนันการตาเรสงวริุงว่าพุทธีเพื่อการสารวงราในพระพุทธเจ้าในการต่อไป